50 languages. 52. Aywat teredo. ในห้างสรรพสินค้า Supermarket nali. เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม n a w u supermarket ge hogo nave? ดิฉันต้องไปซื้อของนานู้สามารุณ์ันนู้กลยลลเบกดิฉันอยากซื้อของหลายอย่างนานูตุมบาวสตุกันนู้กลยเบกูแผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนคะคัชเชริเกเบก้ากัวัสตุกโดเยลลีเวดิฉันต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน นั่นเองลักโถ ต, ต์มัตตุบรหัสสามาัคคีลบกดิฉันต้องการปากกาลูกเลื่นและปากกาเมจินั่นเองบาลเป็นนุกันโลมตัตตุมาร์คเกอร์กักนโลบกนงเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหนปีโฮปครนโลเยลลีดรยุเวดิฉันต้องการตู้และตู้ลินชกัก นั่นเองวนดูบีรูฮากูขาเนเอกลันนุฮุนดิรุวาบารียุวาเมจูเบกูดิฉันต้องการโตเขียนหนังสือและชันวางหนังสือนั่นเองวนดูบารีว่าเมจูฮากูพุสตะกะดกปปากะปัตุเบูนแนกของเล่นอยู่ที่ไหนคะอัดดาสามานุกรโเยลลเ ที่ฉันต้องการตุกตาและตุกตามีนันะเกววันดูกุ้มเบะมัตตูอ่าตดาด k a r a ดีบกที่ฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุกนันะเกววันดูฟุตบอลมัตตูชดุรังกาดาตดาด ma ับกแผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะซาลักาเรนีกัโลเยลล ดิฉันต้องการคอร์และคีมนันาเกิววันดูสุตติเก่มาตุจิมุตะเบุดิฉันต้องการสวา่านและไขควงนันาเกิกววนันดูดริลหะกูติรุกุลีเบกุแผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหนอาบรนักลาวิบห์กาเยลลีเ ดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือนานาเกววนดูสรามัตุไกยกาดเบกดิฉันอยากได้แหวนและต่างหูนานาเกววนดูวุงกุราหมัตุวลัลย์กูเบก